พระธรรมเทศนาลำดับที่สามโดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในโอกาสงานปฏิบัติธรรมบูชาลาพันษาณพระธาตุพนมก่อนอื่นคณะศรัทธาญาติโยมจากจะตุรทิศที่มาในงานในวันนี้ ก็คงอยากจะทราบว่าพระอาจารย์ที่จะแสดงธรรมอยู่ในขณะนี้ก็คงไม่เคยเห็นชื่อพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกก็ชื่อก็อแปลกๆเพราะนั้นหงพ่อเองขอแนะนำตัวเองให้แก่พี่น้องประชาชนทญายาจมให้รับทราบ พ, พอเป็นประวัติ ข้าวข้าวหรือว่าย่นย่อหลวงพ่อหรือว่าอาตมาภาพเป็นสมณีนของหลวงปู่ล่าปู่เจอบ ก, ก็จังหวัดมุกดาหารเป็นสมณีนตั้งแต่พุทธศักราช 2,500 เป็นสมณรนกึ่งพุทธกาลจากนั้นก็ อยู่กับองค์หลวงปู่ล่าเป็นเวลา8ปีเป็นสนัมมณีจากนั้นก็ได้บวชเป็นพระปีศูนย์แปดจากนั้นก็ได้จําพรรษากับองค์หลวงปู่ล่าหนึ่งพษาเป็น9ปีจากนั้นก็ได้จําพรรษากับหลวงปู่จามมหาปุญโญหลวงปู่จามเป็นหลวงอาของหลวงพ่ออินคือเป็นน้องชายของคุณยงพ่อ ะฉะนั้นคณะทาญาิโยมที่นั่งอยู่ในละแวกนี้ก็คงจะเคยไปวัดหลวงปู่จามคงจะเคยกราบท่านดีนี้ท่านอายุร้อยสปีกว่าแล้ ว, ลวจะเข้าร้อยปีจากนั้นก็ได้จำพรรษาที่วัดป่าดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่อยู่กับหลวงปู่แหวนสุจินโนปี2 5 0พร้อยสิบ ปี 2,511 กลับมาจําพรรษาที่บ้านห้วยทรายอําเภอมุกดาหารตะกอนขึ้นจังหวัดนครพนมแต่ตอนนี้เป็นจังหวัดมุกดาหารสมัยหลวงพ่อเป็นจำเนินเมื่อจาพรรษาที่ห้วยทรายปี 2,511 2,512 ไปจาพรรษาที่ วัดป่าบ้านตาดอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเป็นเวลาปี2512จนถึง2525 25จึงได้ออกไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีห่างไกลจากตัวอุดร120กิโล วันนั้นวันนี้หลวงพ่อได้เดินทางจากวัดมาถึงพระธาตุพนมใช้เวลายาวนานพอสมควรเพราะเห็นว่างานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นงานที่ต้องการความพร้อมเพียงสามัคคีของหมู่ของกลุ่มของคณะของประเทศชาติของพุทธบริษัท พระพุทธเจ้าของเราเป็นบริษัทหนึ่งที่ต้องการความพร้อมเพียงสามัคคีเพราะนั้นนัามาภาพจริงได้รับนิมนต์ห่างไกลแต่ถึงยังไงการแสดงธรรมหรือว่าการพูดในวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนตั้งใจฟังก็ให้อยู่ในความสงบแต่ขอร้อง อาตอมาภาพเองเป็นภาพป่าเป็นภาพป่าทั้งรุ่นอย่างที่อาตอมาภาพได้เรียนให้แก่พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเป็นสัมมาเรของหลวงปู่ล่าแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่ต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นป่ารงคงภัยทางนั้นเพราะนั้นเวลาหลวงพ่อลึกจะแสดงธรรมจึงมีจึงขอร้องว่าอย่าถ่ายภาพที่มีแฟต แล้วก็ถ้าหากว่าผู้ใดมีโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้ที่เสียงดังเมื่อเสียงดังขึ้นมาแล้วอย่าไปคุยโทรศัพท์แข่งเทศหลวงพ่อนะถ้าหากว่าผู้ใดโทรศัพท์แล้วพูดโทรศัพท์ต่อหน้าหลวงพ่อใกล้ๆธรรมะที่หลวงพ่อจะแสดงวิ่งเข้าป่าหมดเพราะเหตุไรเพราะพวกหลวงพ่อจะนำธรรมคำสอนออกมา ประกาศเผยแผ่ให้แก่คณะสัยา ญ, ญาติโยมลูกหลานได้ยินได้ฟังไปกลั่นกรองอยู่ในป่ารงพงไพในสถานที่สงบสงัดเพราะนั้นถ้าว่ามีเสียงอะไรรบกวนก็จะเ่ความรู้ที่ได้กลั่นกรองมานั้นเอ๊มันก็วิ่งเข้าป่าอีกอย่างเก่าเพราะนั้นขอร้องคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนในเมื่อฟังธรรมเทศนาไม่ว่าแต่ของหลวงพ่อละ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 ปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนำมาการกลองไตรตรองเหตุและผลอันนั้นเป็นปัญญาในทางพระพุทธศาสนาส่วนสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญานั้นเป็นปัญญาทางโลกทั่ ว, วไปแต่ภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาเป็นปัญญาที่จะเดินวิปัสนา เพื่อหาทางหลุดพ้นพ้นจากอาสวักิเลสก็คือนี่แหละภาวนาพยปัญญาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อองค์หนึ่งที่จะได้กล่าวแสดงธรรมให้แก่ที่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเป็นแนวความคิดหนึ่งเพราะนั้นต่อไปตั้งใจฟัง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 โซมังโลกังปพาเสติอภามุตโตวัจันธิมาตีติวันนี้นบว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งคณะกรรมการจัดการมาจากส่วนกลางที่พระเถรานุเถระที่พระมหาเถระมาจากส่วนกลางพร้อมกับพี่น้องประชาชน ทุกหมู่เหล่าฟังฟังดูแล้วก็มีหลายกลุ่มที่จัดงานในวันนี้การจัดงานวันนี้จัดงานเพื่อปฏิบัติบูบชาลาพรรษาที่พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมคืออีกไม่นานวันนี้ก็เป็นวันที่2ี่สตุลาห้าห้าแล้วก็วันที่ส0ตุลาเป็นวันออกพรรษา ท่านจึงว่าปฏิบัติบูชาลาพันษาที่พระธาตุพระนมประกอบกับวาระพุทธชยันตี 2,600 คําคำว่าพุทธชยันตีคำนี้พี่น้องประชาชนบางคนก็คงจะยังไม่เข้าใจคือพระพุทธศาสนาของเราเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานท่านก็นับเอาวันปรินิพาน ก็นับได้ 2,555 ปีแต่ถ้าหากว่านับวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณคือวันเดือน6เพนปีนี้เป็นปีที่ 2,600 เพราะนั้นถึงจัดว่าเป็นวันสำคัญยิ่งวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาถึงวันนี้มาถึงปีนี้เป็นปี 2,600 เรียกว่าพุทธเจีนตี อันเป็นวันมงคลยิ่งวัดพระธาตุพนมวรรมหาวิหารคณะสงฆ์ภาคอีสานจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพพร้อมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหัวจดหมายเหตุหลวงปู่พุทธาธาตุอินทปัญโยได้รับประสานงาน ปฏิบัติบูชาลาพรรษาปี2555ที่จะออกพรรษา30ธันวาคมที่จะถึงนี้จวบกับเป็นปีเช ย, ยันตี2600ทั้งนี้เพื่อน้อมลำลึกเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้สืบสารพระพุทธศาสนาตลอดมา จนมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายทุกตลอดทุกวันนี้เป็นการประสานความพร้อมเพียงสามัคคีของพระพุทธบริษัทให้มั่นคงถ้าต่างคนต่างอยู่ก็จะทําให้ขาดความแข็งแกร่งของพุทธบริษัทถ้าพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ได้ตัด เรื่องความพร้อมเพียงสามัคคีไว้มากในพระไตรปิฎกอย่างท่านยกเป็นชาดกขึ้นมาในครั้งพุทธกาลที่ภิกษุทะเลาะกันที่เมืองโกสัมพีพระพุทธองค์ได้เจเดตไปไปพบกับพระอนุรุทธะเทระกิมภริวัคคุที่อยู่ในป่าท่านได้ตรัสว่าอย่ายินดีในการทะเลาะวิวาทกัน ถ้าว่าพวกเรามีการทะเลาะวิวาทกันความจิบหายก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและกลุ่มของพวกท่านพระพุทธองค์ก็ได้ยกชาโดกขึ้นมาเพราะพระภิกษุพระอนุรุทธากิมเพลท่านก็อยากจะฟังว่าคำว่าแตกสามขีนั้นเป็นยังไงหนอพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าสมัยหนึ่งมีนกกระจาบฝูงหนึ่ง หากินอยู่ที่ชายทุ่งเป็นนกกลุ่มใหญ่แล้วก็วันหนึ่งก็ไปบินไปที่หนึ่งต่อมาก็บินไปที่หนึ่งแต่นกกระจาฝูงนั้นมีหัวหน้าฝูงอยู่ตัวหนึ่งพอต่อมานกกระจาฝูงนั้นมีรองหัวหน้าแข็งข้อแข็งข้อคือไม่ลงรอยกับหัวหน้าก็เลยพูดขึ้นมาว่า หัวหน้าได้เห็นแก่ตัวขนาดหมูบินลงยังไม่ได้กินเหยื่อตัวเองก็บินขึ้นไปเช่นก่อนแล้วทำให้หมูพวกเพื่อนไม่ได้กินเหยื่อตัวเองลงก่อนก็กินก่อนแล้วก็ไม่ได้คอยหมูอันนี้พวกนกบางตัวก็เห็นด้วยก็เลยเห็นด้วยก็ลองหัวหน้าว่าลองหัวหน้ามีน้ำใจจากนั้นนกหูนั่นก็เลยเตะเป็นสองพวก พวกหนึ่งเป็นกลุ่มหัวหน้าแต่กลุ่มหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็เป็นกลุ่มรองหัวหน้าแต่ก็ไปยังไปหากินด้วยกันพอต่อมาแต่เข้าหนักๆเข้าท่นี่ลงไปกินในสนามหญ้าแต่ในสนามหญ้าในสมัยนั้นพวกพรานนกเขามีตาข่ายสําหรับดักนกเวลานกมาเนี่ยเขาจะเอาตาข่ายชักขึ้นมาแล้วก็ นกก็ติดอยู่ในตาข่ายของเขาแต่นกฝูงนั้นเป็นฝูงใหญ่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันพอไปกินในสนามหญ้านายพานก็ชักตาข่าย เ, เพื่อจะจับนกแต่นกฝูงนั้นเป็นนกฝูงใหญ่แต่มีคำสั่งก็คือนายที่เป็นหัวหน้าอพอถูกตาข่ายหัวหน้าก็สั่งว่าบิน นกทั้งฝูงก็บินขึ้นพร้อมกันมันมีกํำลังตาคายนะพ่อต้องลอยขึ้นไปบนอากาศจากนั้นขึ้นไปทิ้งอยู่บนปลายยอดไม้จากนั้นต่างตัวก็ต่างบินออกไปด้วยความปลอดภัยพอต่อมานกฝูงนั้นแตกเป็นสองสองฝูงไม่ลงลอยกันแต่ได้แต่ก็ไปด้วยกันพอต่อมาหัวหน้านี่ก็เห็นว่า ไม่ปลอดภัยเพราะหัวหน้าเป็นพระโพธิสัตว์ท่านบอกไม่ปลอดภัยจากนั้นก็หัวหน้าก็คงจะขโมยหนีเลยลักษณะอย่างนั้นเพราะมันแตกกันตอนนี้นก็มีรองหัวหน้าต่อรองรองต่อสองรองคงจะแข่งกันอีกเหมือนกันพอต่อมาก็ไปกินในสนามหญ้าพอไปกินแล้วตอนนี้เขานายพานเขาก็ชักตาข่ายเข้ามาพอชักตาข่ายเข้ามาเท่านั้นแหละนก ฝองแล้วก็ติดอยู่ในตาข่ายแต่ความแตกแยกสามะคีก็ยังมีอยู่กลุ่มหนึ่งก็บอกว่าบินแต่กลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่ต้องบินไอ้กลุ่มที่มันเก่งบินเลยให้เขาบินไปเราไม่ต้องบินเพราะสั่งอีกพวกหนึ่งพวกนั้นก็บินบินไปก็บินไม่ขึ้นเพราะเหตุไรเพราะไม่มีกำลังกำลังไม่พอพอกาลัง นกกลุ่มนั้นอ่อนล้านกกลุ่มนี้ก็บอกเอา้าพวกนั้นไม่ได้เรื่องเห็นไหมละ่ะอพวกเราบินพวกนี้บินขึ้นมาอีกก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะกำลังไม่พอพลที่สุดกำลังพเถียงกันอยู่เพรานก็มาลวบตาข่ายอาจากนั้นก็แซ่เขาก็หวด้วซะไอ้นกฝูงนั้นก็เลยไปลงกระทะทั้งฝูงเป็นอาหารโอชะของ ลานนกต่อไปนี่แหละอันนี้ก็คือความแตกแยกสามัคคีในหมู่ในคณะไม่เป็นผลดีคนนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในประเทศชาติบ้านเบืองอยู่ในชุมชนตุ่มใดคณะใดอยู่ในวัดใดอยู่ในสํานักงานใดอย่ายินดีในการทะเลาะวิวาทกันให้ยินดีในความพร้อมเพียงสามัคคีกันถ้าหากว่าพวกเรา ไม่เข้าใจกันก็ให้หันหน้าเกาหากันปรึกษาปรารถกันทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละคือถ้าหากว่าพวกเราทำได้อย่างนี้ความภาสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนในกลุ่มของพวกเราในประเทศชาติของเราแต่ถ้าว่ามีความแตกแยกสามัคคีมองไปคนละทิศคนละทางคนละมุมกันแล้วจะหาความสงบสุขไม่ได้ ผลที่สุดก็คือความหายยนะคือความจิบหายจะเข้ามาจุสู่ชุมชนของพวกเราเพราะฉนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านเพื่อที่ต้องการความสงบร่มเย็นผาสุขแล้วก็การอยู่ด้วยกันมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านได้สอนให้ตรัสสอนเวไนยสัจและสอนพวกเราท่านทั้งหลาย ในครั้งพุทธกาลพวกเราท่านทั้งหลายให้รู้จักการละเทสะบุคคลการสถานที่บุคคลเข้ามาในชุมชนควรจะทำตนอย่างไรอันนี้หลักคำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดสำหรับการวางตัวของพวกเราในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์จวนสว่าง พระพุทธองค์มองดูสัตวโลกคือนั่งสมาธิมองดูสัตวโลกว่าผู้ใดมีอุปนิสัยท่านก็มองอมีมานพคนหนึ่งเข้ามาในตาข่ายเชื่อว่าเข้ามาในพยานอของพระ อ, องค์เมื่อพระ อ, องค์เห็นว่าเออมุดมานพคนนี้ เ, เขา ได้รับคาสอนจากพ่อของเขาจากบิดาของเขาแต่ว่าเขาฟังคำบิดาของเขานั้นไม่เข้าใจแต่บิดาเขามีจุดประสงค์อย่างหนึ่งที่จะสอนแต่ว่ามานพนี้ฟังไปแล้วไม่เข้าใจในคาสั่งสอนของบิดาแต่เราควรจะไปโปรดไปทำความเข้าใจกับเขาอันนี้พระพุทธองค์เห็นมานพคนนั้น ชายหนุ่มคนนั้นเข้ามาในข่ายคือพยานคือเข้ามาในสมาธิของพระพุทธองค์จากนั้นพระองค์พอสว่างแล้วท่านก็เสด็จไปกับพระอานนท์พระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเดินตามหลังเพื่อเข้าไปบิทธบะแต่ก็เดินผ่านไปพอเดินผ่านไปไปเห็นมานพเขากาลังไหว้ไหว้ทิศ ท, ทั้งหกไหว้ทิศ ท, ทั้งห คือไหว้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกไหว้ทิศเหนือไหว้ทิศใต้และก็ไหว้ทิศเบื้องบนและก็ไหว้ทิศเบื้องล่างครบหทิศพอดีแต่พวกเราคณะสัายาติโยมทั้งหลายคงจะได้ยินแต่ว่าทิตฐ์ทั้งสี่กับทิศทั้ง8แต่ในหลักของพระพุทธศาสนามีทิศหฮะ่มีทิศหจากนั้นพระองค์ก็เดินไปไปถามว่ามาน์เธอทำอะไร มานบก็ตอบกับพระพุทธองค์ว่าข้าพระองค์ไหว้ทิศทั้งหกพระเจ้าค่ะใครเป็นคนบอกใครเป็นคนแนะนํามานพคนนั้นเขาก็บอกว่าบิดาของข้าพระเจ้าเป็นผู้บอกพระเจ้าค่ะข้าพระองค์เป็นเด็กหนุ่มบิดาส่งไปเรียนที่เมืองตักกศิลาฮ์เมืองตักกศิลาก็คือเมืองทาริบันทุกวันนี่แหละศรัทธาญาติโยมที่ประเทศอินเดีย ส่งไปไปเรียนที่เมืองตะกะศีลาพอไปเรียนจบก็รีบกลับมาพอเห็นบิดาป่วยหนักพ่อบิดาป่วยหนักบิดาก็เรียกเข้ามาว่าลูกเข้ามาได้สิจากนั้นพระบิดาก็จับมือจับมือของลูกชายก็สั่งเสียว่าลูกสมบัติของเราก็มีมากอยู่ขั้นในระดับเศรษฐีเพราะนั้น ผู้ที่จะบริหารทรัพย์สมบัติให้เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยนั้นต้องเป็นผู้อ่อนน้อมต่อทิศทั้งหคารวะทิศทั้งหกต้องรู้จักทิศทั้งหถ้านอบน้อมคารวะทิศทั้งหแล้วผู้นั้นบริหารจัดการทรัพย์สมบัติจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นมานพคนนี้ก็ ได้รับคำจากบิดาจากทัานบิดาก็มรณภาพพอมรณภาพไปก็จัดงานศพบิดาเรียบร้อยพอจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คำที่บิดาสั่งว่าให้นอบน้อมทิศทั้งหให้คารวะทิศทั้งหอยู่ในใจของมนุษย์คนท่านนั้นจากนั้นตอนเช้าก็ออกไปในชายทุ่ง แล้วก็ยกมือไหว้ทิศตะวันออกยกมือไหว้ทิศตะวันตกยกมือไหว้ทิศใต้ทิศเหนือแล้วก็ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างไม่ได้ขาดเพราะเป็นคําสั่งของบิดาเพราะบิดาดูดแล้วสั่งด้วยความตั้งใจจงใจจริงๆริงเพราะฉะนั้นมานพคนนี้ก็ปฏิบัติให้ได้ใจจริงๆริงมานพคนนี้คื อ, คอสิงคารและมานพนอะสิงคารและมาน จากนั้นพระพุทธองค์ก็บอกว่าที่เธอฟังจากบิดาของเธอนั้นมันไม่ใช่นะมานพ ก, การที่จะไหว้ทิศ ท, ทั้งหกนั้นตามปราดเขาที่แนะนา ม, มาแต่ก่อนเก่าเขาจะไม่ไหว้กันอย่างนี้ไหว้กันอย่างนี้มันไหว้ไม่มีความหมายอะไรไหว้วิวททิศ ท, ท้งหกอย่างนี้ถ้าบัณฑิตนักปราดเขาสอนกันในแต่ครั้งก่อนนั้นเขาจะไม่สอนกันอย่างนี้เธออยากจะเรียนไหม เธออยากจะศึกษาไหมเธออยากจะรู้ไหมมานพสิงหาและมานพก็อยากจะรู้พระเจ้าค่ะเออตั้งใจฟังจากนั้นพระพุทธองค์ก็บอกว่าทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาบทธิดาควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อบิดามารดาเมื่อพ่อแม่เมื่อบิดามารดาเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ ทำกิจวุตรของท่านดํารงวงสกุลประพฤตตนให้สมวควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของบุตรธิดาถือว่าบิดาคือบานมารดาเป็นทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังสามีภรรยาปฏิบัติให้ถูกต้องสามีมีสิทธิภรรยามีสิทธิ์ ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันให้รู้จักสถานะของกันให้เคารพสิทธิ์ของกันและกันอย่าไปก้าวกายกันอย่าไปทะเลาะวิวาทในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องให้เคารพสิทธิ์กันถ้าสามีภรรยารู้จักสถานะของตนครอบครัวนั้นก็จะมีความสงบพร่มเย็นเป็นสุขถ้าหากว่าสามีก็ไม่รู้จกักภรรยาก็ไม่รู้จกักไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน ในครอบครัวนั้นจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้อันนี้คือเท็ดเบื้องหลักเท็ดเบื้องขวาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนพวกเราตั้งแต่สอนกอไก่จนถึงหอนกคูกจึง ABC อะไรก็ตามปิ๊กอาจารย์ที่สอนให้พวกเราทามาหาเลี้ยงชีพ อย่างสอนปริญาตรีโทเอกทุกวันนี้อันนี้ก็คือจัดว่าเป็นครูบาอาจารย์ถ้าเห็นครูบาอาจารย์เข้ามาหรือมาใกล้ลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถัภด้วยเรียนศิลปะวิทยากับครูบาอาจารย์อันนี้คือให้ความเคารพในครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหาหิคนเราที่จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ ต้องมีหมูมีเพื่อนมีมิตรมีสหายเพราะนั้นการทำมาค้าขายกับมิตรกับสหายต้องมีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจอย่าไปโคดอย่าไปโกงอย่าไปเอารัดเอาเปรียบหมูพวกเพื่อนถ้าหว่าใครก็ตามโคตโกงหมูพวกเพื่อนไม่มีกัลยาณมิตรหรือไม่มีเพื่อนที่ดีพวกเราอย่าหวังเลยกิจการงานของเราจะเจริญรุ่งเรืองไปได้ เพราะนั้นกัณยานมิตรเป็นสิ่งที่จาเป็นสาคัญอย่างยิ่งนี่แหละอันนี้ก็คือทิศเบื้องซ้ายมิตรสหาหทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์เมื่อเราเข้าไปหาสมณพราหมณ์ก็นอบน้อมถ่อมตนศึกษาสมณพราหมณ์ท่านก็จะได้สอนธรรมะให้แก่พวกเราได้ฟังอันนี้บาปนะอันนั้นบุญนะอันนั้นคุณอันนี้โทษอันนี้สิ่งควรไม่ควร อันนี้สัมภณะพราหมณ์ท่านจะได้สอนแนะนำสั่งสอนพวกเราคุณระบุตรพวกเราจะได้ปฏิบัติถูกต้องตามทานองคลองทมชีวิตของเราก็จะราบรื่นทิศเบื้องต่ำเบาคือคนรับใช้คนงานถ้าคนใครก็ตามบริษัทห้างร้านไหนก็ตามถ้าหากว่าไม่มีคนรับใช้ไม่มีคนงานที่ดีไม่มีการแบ่งปัน ข้าวน้ําโภชนะอาหารรางวันให้กับเขาเขาจะเป็นลูกน้องของเราได้อย่างไรถ้าไม่มีลูกน้องที่ดีบริษัทข้างร้านนั้นก็จะหาความสงบร่มเย็นผาสุขไม่ได้เพราะนั้นให้ปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าว่าผู้ใดก็ตามปฏิบัติให้ถูกต้องต่อทิศ ท, ทั้งหคือทิศเบื้องหน้ากับบิดามารดาก็ให้รู้จักพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาอย่างไร เราควรจะตอบคุญคุณกับท่านอย่างไรทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องบนสั ม, มณะพราหมณ์ทิศเบื้องต่ำลูกน้องบริวารถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติถูกต่อทิศทั้งหกผู้นั้นมีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุกร่มเย็นเป็นจุขทั่วนหน้านี่แหละคือหลักคำคำสอนของพระพทุทธเจ้าถึงท่านจะสอนไว้ตั้ง2องพันห้า้อกว่าปี แต่พวกเรานํามาพิจารณานํามาปรับปรุงนํามาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราก็ยังเป็นคำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทันสมัยนี่แหละขอฝากไว้กับคณะทายาทโยมทุกหมู่เหล่าแล้วก็พร้อมกันการปฏิบัติตนเองทีนี้การปฏิบัติตนเองพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้มีทานให้มีศีลให้มีทานคนเรา ถ้าเกิดมาไม่มีน้ำใจต่อกันไม่มีฐานะคือการเสียสละต่อกันใครจะอยู่กับเราไม่ได้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานอยู่กับเราไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีฐานะคือไม่มีการเสียสละการเสียสละคือฐานะนั้นมีหลายหลายอย่างอามิ t h ทานคือให้อามิทคือเงินคํทรัพย์สมบัติเรียกว่าอามิส h ทาน วิทยาทานคือให้ความรู้แก่คู่คนแก่บริษัทบริวารอันนี้ว่าวิทยาทานธรรมทานก็ให้ความรู้ทางด้าน จ, จิตใจบอกทางถูกผิดทางถูกบอกทางสวัสดิพานให้อันนี้ว่าธรรมทานอภัยทานก็เมื่อเขามาล่วงเกินเราเราก็ยินดีให้อภัยกับเขาอันนี้เรียกว่าอภัยทาน เพราะนั้นการทานะคือทานคํานี้มีมากมายหลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านยินดีในการให้ทานถ้าว่าผู้ใดมีการเสียสละมีการให้ทานรู้จักแบ่งปันไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่แบ่งปันทั้งหมดไม่ใช่เราต้องรู้จักแบ่งถ้าได้มาทั้งหมดเก็บหมดไม่ยอมให้แก่ใครเลยอันนั้นก็ไม่ใช่เพราะนั้นเราต้องรู้จักแบ่งพ่อแม่พี่น้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบิดามารดาและพ่อแม่ของเราท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราควรจะทดแทนพระคุณของท่านอย่างไรอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องเสียสละอันนี้ก็คือทานะส่วนศีลคือคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวาศีลสําหรับศีลฆราวาสญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยคือคือศีลหาศีลห้านี่พอเหมาะ ที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ถ้าหากว่าคนเราไม่มีศีลห้าขาดศีลถ้าเราไปอยู่นสถานที่ใดคนชุมชนใดก็ตามเป็นผู้ขาดศีลธรรมพวกเราจะเดือดร้อนจะอยู่ด้วยกันไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมีตบอดผวาต่อกันเพราะเหตุใดเพราะคนในชุมชนนั้นขาดศีลเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้คือศีลห้า สินห้าพ่อที่แร่นปานาติปาตาเวรมณีพวกท่านทั้งหลายอย่าคิดฆ่ากันถ้าพวกเราทิดทั้งหลายคิดฆ่ากันเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปฆ่าลูกฆ่าวงสาคนาญาติของเขาเขาเสียอกเสียใจถ้าเขามาฆ่าเราพวกเราก็เสียอกเสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้ระวังให้สํารวมระวัง อย่าไปทําให้คนอื่นเขาถ้าเราไม่ต้องการจะให้เขามาทํากับเราเราก็ต้องเคารพสิทธิ์เขาอันนี้คือศินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาเวรามาณีอย่าไปขโมยของเขาถ้าเราไปขโมยเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันถ้าอยู่ด้วยกันมีแต่ขโมยโวยโจรเต็มบ้านเต็มเมืองจะหาความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ ขโมยคํานี้มันมีมากหลากหลายมันทีท่แรกมันก็ น, น้อยซะก่อนต่อไปมันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆถ้าใหญ่ขึ้นไปก็คือขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขามาเรียกค่าไถยหรือว่าเราไปเรียกพ่อขโมยของเขามาเรียกค่าไถ่แล้วเขามาเรียกของเราไปเรียกค่าไถยเป็นยังไงจะหาความสงบพกเป็นสุขได้ไหมถ้ามาเจอกับเราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าไปเจอกับคนอื่นเขา เขามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้ก็คือศินข้อที่สองข้อที่สากาเมสุมิสาจาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของไข่ของไข่เขาขอรักสงวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำสามีภรรยาคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำของเราเราก็เสียใจเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์เคารพปฏิปไตายซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สาม ข้อที่สี่มุสาวาทาเวระมณียากโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุ๋นโกหกหลอกลวงเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นศินของพระพุทธเจ้าถ้าเราพิจารณาดูให้ดีแล้วเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราไม่ต้องการอย่างที่ เ, เรา ไปทําให้แกลบกับเขากับเราคือว่าเราได้รับความทุกข์เขามาคิดฆ่าเราเขามาขาโมยเราเขามาระลบระลาบประรองสามีภรรยาลูกหลานของเราเขามาโกหกต้มตุมต๋นเราเราเสียใจเราก็ไม่ควรจะทําให้คนอื่นเขาไอนี่แหละคือศินของพระพุทธเจ้าศินสรุปแล้วก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวข้อที่หสุราเมระยะมัชฌะปะมา การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วเมาเข้าไปแล้วขาดสติแล้วทำความชั่วทุกอย่างข่าพ่อก็ได้ข่าแม่ข่าพี่น้องวงศาคณะใาติข่าได้ทั้งหมดขโมยใครก็ได้ลาลาประรวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้ถ้าคนขาดสติคนขาดสติเป็นคนที่น่ากลัวมากเพราะฉนั้นขอให้พี่น้องจตหาญาตดยม กันตรองไตรตรองดูให้ดีศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศีลคุ้มครองโลกจริงๆถ้าหากว่าพวกเรามีศีลธรรมประจํากายวาจาของเราแล้วมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่พวกเราท่านทั้งหลายคิดว่าจะรักษาได้ยังไงคนมีตังเยอะแยะจะให้เขารักษาหลวงพ่ออินจะให้เขารักษาได้ยังไงหลวงพ่อแนะนำว่า ใครจะไม่รักษาก็เถอะแต่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินหลวงพ่อพูดว่าในเออหลวงพ่อเนี่พูดถูกศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจริงๆเอาเถอะเมื่อข้าพเจ้าเห็นคุณค่าข้าพเจ้าคนหนึ่งจะรักษาศีลท่าที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่ขโมยทรัพย์ข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติออกนอกลูกนอกทางในสามีภรรยาคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่โกหก ข้าพรเจ้าจะไม่ดื่มชุราให้นับหนึ่งจากข้าพรเจ้าอย่าไปคิดว่าจะให้คนนั้นทําคนนี้ทําให้นับหนึ่งจากข้าพรเจ้าต่างคนก็ต่างนับหนึ่งจากตัวเองหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบกสองเป็นสี่หลายๆคนเห็นคุณค่าบ้านเมืองจะสงบพร่มเย็นเป็นสุขถ้าหากว่าคนนั้นก็ข่าทําไม่ได้คนอื่นน่าจะทําแต่รู้อยากจะได้ เห็นคุณค่าของศีลอยู่ไม่อยากจะรักษาไม่ไม่อยากจะรักษาเหตุแต่ต้องการผลผลในผลของศีลห้านั้นต้องการแต่ว่าเหตุนี่ไม่อยากจะทำไม่อยากจะรักษาแล้วความสงบพร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าและก็พร้อมกันเรื่องสมาธิในหลักของพระพุทธศาสนาโดยมากจะ ไม่ค่อยได้สอนแนะนำสั่งสอนกันมีแต่พูดเรื่องทานเรื่องศีลแต่เรื่องสมาธิโดยมากจะไม่ค่อยได้บอกได้สอนกันเพราะว่าบางขั้นบางคนเอ้ยเรื่องสมาธิเป็นเรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของญาติคลองโยมแต่ตามที่จริงมันเป็นหน้าที่ของพวกเราทวกทุกคนนะคณะสัตยาญาติโยมแต่วันนี้หลวงพ่อจะแนะนำะแขนงหนึ่งคือว่า วิธีการปฏิบัติแนวแถวสายหลวงปู่มั่นให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะว่าการแนะนำสั่งสอนครูบาอาจารย์มีมากหลากหลายมีหลายแขนงที่พระพุทธเจ้า ว, วางเอาไว้ก็คือกรรมฐาน40กรรมฐาน40มีพุทธาธรรมสาสังคาศสีลาจาคาเทวตาอันนี้ว่า อ, อ, อนุสติส และกษศติน์สิรวมกันแล้วพระพุทธเจ้า ว, วางกรรมฐานไว้40อย่างแต่นี้หลวงพ่อให้ทางเลือกสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายคือกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นที่ท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้ผลมาแล้วและท่านจากนั้นท่านก็มาแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชานชนจัตตาญาิายา จ, จมจากนั้นท่านก็สอนพระเถระรุ่นใหญ่มีหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาว หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อ่อนหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่แหวนหลวงปู่ต่างๆที่เป็นศิษยาณุศิษย์ของหลวงปู่มันท่านก่อนแนะนําสั่งสอนตามแนวแถวหลวงปู่มันเพราะฉะนั้นอาตมาภาพเองในฐานะหลานรุ่นหลานรุ่นเหลนที่ได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติตามแนวแถวสายหลวงปู่มันอาตมาภาพจะนํามาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชน ศรัทธาญาติโยมให้ปฏิบัติดูซิเอออาจจะถูกกับจริตของเราก็ได้แต่หลวงปู่มั่นท่านก็บอกกล่าวนะกรรมฐานที่ท่านแนะนําสั่งสอนนี้ท่านบอกว่า เ, เกือบถูกกับทุกจริตท่านก็ไม่ว่าถูกกับทุกจริตนะ เ, เกือบถูกกับทุกจริตท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราฟังดูซิว่าหลวงปู่ท่านสอนอยังไงหลวงปู่มั่น ถ้าก่อนที่จะพูดถึงแนวทางของหลวงปู่มันอาตมาภาพจะเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบแนวทางของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าที่ท่านหนีออกจากเบียงวังไปอยู่ในป่าดงพงไพ่ท่านไปอยู่ในป่าดงพงไพ่ถึงหปีท่านไปฝึกไปดทดสอบทดลองเรื่องจิตตภาวนาที่โคลนต้นโพี่พุทธกยาท่านลองผิดลองถูกกลองถูกกลองผิด ทีแรกท่านก็ไปดูเรื่องของกายซะก่อนไปทรมานกายซะก่อนเรียกว่าอั ต, ตกิลมัฐานโยกการทรมานกายอดภักยาหารทั้ง49วันอันนี้ถึงท่านอดภักยาหารจากนั้นท่านก็ทรมานกายถ้าพวกเราได้ดูได้ศึกษาในพุทธประวัติแล้วเราก็พอจะรู้ได้ว่าพระพุทธองค์เพ่งมองไปทางกาย การทรมานกายแต่พอท่านได้ถึงวันเดือนหกเพนท่านได้ฝึกหลายๆอย่างได้ไปศึกษากับพวกฤาษีสีพรายดาราราบทุตตะดาบทในอยู่ในละแวกนั้นท่านก็ภาวนาทีนี้ท่านเปลี่ยนใหม่ท่านมาดูใจทีนี้ดูใจก็คือนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานพระพุทธเจ้าที่วันที่ท่านได้ตัดูุนั้นนี่แหละวันนั้นเป็นวันเดือนหกเพนผ้าอาทิต ย, ยังไม่อัจดงนายโสธิยะนำยาคาผ่านมาแล้วก็มอบยาคาให้แปดกำมือมอบให้สิท ธ, ธัตถะ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 ชาติผลหลังได้เรียกว่าปุเพเนวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้เนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาท่านว่าตายแล้วไม่สูญนะคณะนักทาญาติโยมตายแล้วเกิดถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวพระพุทธองค์คงจะล้ำลึกชาติผลหลังไม่ได้อย่างพวกเรามีวันนี้วันเดียวไม่มีเมื่อวานพวกเราจะระลึกถึงเมื่อวานได้อย่างไรอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อน และคิดชาติก่อนอีกเพราะท่านมียาณทัศนะมีฌานมีเครื่องมือในการมองในการดุลเพราะนั้นพระพุทธองค์ได้นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบจากนั้นพระองค์ล้ลึกชาติผลหลังได้เล้ววับปุเพนวาสานุสติญาณพอถึงเที่ยงคืนพระองค์ทำจิตใจให้เน่งสงบลงไปอีกแล้ว่ัดจุตูปะปาตายานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลาย มองดูว่าพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยมีมากแต่ว่าดูสิไม่เหมือนกันเป็นผู้เป็นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะกรรมจำแนกให้ต่างต่างกันแต่ร่างกายก็ยังต่างกันแต่ส่วนจิตใจนั้นความทุกข์ความจนความโง่ความฉลาดมีอีกแตกแตก ต, ต่างกันไปอีกแล้วกรรมจำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย เพ น, นั้นพระพุทธองค์ท่านทําไม่คนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกันดูเข้าไปอีกบอกว่ากรรมคือการกระทําถ้าว่าคนนี้เกิดมาทําไม่รวยทําไมอะไรทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองไปหมดแต่คนนี้เกิดมาในท้องแม่เดียวกันทําไมเกิดมาแล้วจึงจนโง่เง่าอีกต่างหากแล้วกับเงินคําทรัพย์สมบัติก็หายยากอีกต่างหาก ทำไมไม่เหมือนกันนี่แหละพราะพระพเจ้าท่านว่าเออคนคนนี้สิญญาณดวงนี้ชาติที่แล้วเขาขี้เกียจทําบุญทําทานเขาขี้เกียจรักษาศีลเขาเกิดมาพบนี้ชาตินี้จึงยากจนแต่คนไหนเกิดมาแล้วมีความเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยคนนั้นเขา เ, ออเป็นผู้ยินดีในการทําบุญทําทานนี่แหละพราะพระองค์ท่านเลยตรัสว่า อากตังลุกตังเส้โยปัชาตะปติลุกตั ง, ยยตต ก, รตงกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำตนให้เดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในหลักของพระพุทธศาสนาท่านไม่ให้ทำกรรมที่ไม่ดีให้ทำแต่กรรมดีถ้าพวกไทยพวกใดกรรมทำกรรมดีแล้วพวกนั้นมีแต่ความร่มเย็นผาสุก เพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่โคลนต้นโพนเป็นลักษณะอย่างนี้แต่นี้มาพูดถึงหลวงปู่มั่นทนีหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนลูกหลานท่านบอกว่าให้ภาวนาพุทธโธนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธถ้าว่าพวกเรากำหนดกรรมาฐานเฉยๆหรือว่ากาหนดลมเฉยๆมันรุดได้ง่าย เพราะนั้นจึงให้บุญกรรมพุทโธพุทโธพุทโธด้วยอันนี้คือหลวงปู่มัน่นแต่นี่หลวงพ่ออินเนี่ยแนะนําอีกนะที่นะศรัทธาญาติโยมให้พวกเราภาวนาโดยที่หลวงพ่อหลวงหลงพ่ออินแนะนําเพราะว่ากรรมฐานพระพุทธเจ้าท่านวางไว้จังสี่สิบอย่างจิงไหนที่จะเกิดประโยชน์เออก็เรายึดกรรมฐานนั้นแต่หลวงปู่มัน่นท่านสอนภาวนาพุทโธแต่หลวงพ่ออินเนี่ย บอกว่าลูกหลานทั้งหลายให้เรานั่งภาวนาแล้วก็ให้นับดูสิหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสีนับไปเรื่อยจนถึงร้อยถ้ามันไม่เผลอนับกลับมานับหนึ่งอีกจนถึงร้อยถ้ามันเผลอมันจะเบอร์เบอร์นะมันจะเบอร์เบอร์มันจะนับผิดนับถูกสมมติว่านับ หนึ่งหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้าหนึ่งเป็นเลขคี่สองเป็นเลขคู่สามเป็นเลขคี่สี่เป็นเลขคู่ห้าเป็นเลขคี่หกเป็นเลขคู่สรุปแล้วก็คือหายใจ้าคี่คู่คี่คู่คี่คู่แต่ถ้ามันจะเบรอร์มันจะเบอร์เบอร์เอมันจะหายเข้าหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นจะเป็นเลขคี่ฮะ นี่แหละเราจะเห็นได้ชัดเลยถ้าว่าเรานับไปถึงสิบเนี่ยขาดบ่อยๆไม่เป็นผลดีนะคณะสัตยาญาตโยมลูกลานนะแปลว่าสติของเราเนี่ยใช้ไม่ได้แหละต้องพยายามเข้มงวดปวดขันต้องพยายามแพ่งหรือว่ากำหนดให้มั่นคงเข้าไปอีกนี่แหละอันนี้แหละคือเราทดสอบทดลองในการฝึกสตินะ เ, นเมื่อเราฝึกสติดีแล้วทีนี้สติอยู่กับตัวเองนิ่ง จิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ด้วยตนเอง เ, อเมื่อเรารวมสงบแล้วเมื่อจิตสงบแล้วเราจะมองเห็นตัวของเราเนในร่างกายของเราในมีอยู่สองสองคืออะไรรูปประธรรมกับนามธรรมรูปประธรร ม, รปปรรมคือร่างกายนามธรรมคือใจรูปประธรรมถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับรถ นามธรรมาเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถรถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับถ้าหากว่ามีแต่รถรถมันก็นอนนิ่ง เ, เพราะไม่มีคนขับเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไปค้นค้าศึกษาอยู่ที่โครนต้นโพ ท, ที่ว่าจิตสงบนั่นพระไทยของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งนั่นแหละท่านจึงรู้ได้ว่า โชเฟอร์เนี่ยสำคัญกว่ารถรถเนี่เป็นเครื่องมือของโซเฟอร์ถ้าว่าโซเฟอร์นิสัยดีมีมรญญารยาทดีขับรถไปก็รู้จักหลีกรู้จักไม่ชนคู่ชนคนชนสัตว์เหยียบสัตว์แต่ถ้าว่านิสัยโซเฟอร์ไม่ดีเม็ดคนเกเรไม่มีเมตตาไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม โซเฟอร์คนนั้นจะขับรถไปชนดะไปหมดแล้วก็เปิดแกด่าไปหมดไปเห็นควรจะสงบล้ครับแกก็เปิดด่าไปเรื่อยนี่แหละคือคนที่ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการอบรมทางด้านจิตใจถ้าหากว่าถ้าขับรถไปก็ชนดะแล้วก็คําพูดก็ด่าดะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าท่านให้อบรมเรื่องของใจ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจท่านจึงยกเป็นพระบาลีขึ้นว่ามาโนปุพังคมาธรร ม, มามาโนเศรษฐามาโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านจึงเน้นหนักเรื่องโซเฟอร์มากกว่ารถนะถ้าสรุปแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายขอให้ตั้งอกตั้งใจ ศึกษาในลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้อาธมาภาพได้พูดเบื้องต้นเรื่องปารัเรื่องงานงานวันนี้เป็นงานที่สําคัญยิ่งต่อพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาิโจมเพราะพระมหาเถระส่วนกลางและคนศรัทธายอดโยมจากกรุงเทพได้มาพร้อมกันหลายกลุ่มหลายคณะได้มาจัดงานในวันนี้ ถือว่าวันนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นศักดิ์สิของพี่น้องชาวอีสานของพวกเราแล้วก็งานก็คงจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะมีพระเถระมาแสดงธรรมให้แก่พี่น้องศรัทธาติโจมขอให้พวกเราตั้งใจฟังเมื่อเราตั้งใจฟังอย่างที่ธรรมาภ้าเปรยพูดว่าสุตตมยปัญญาจิตมยปัญญาภาวนาปัญญา จะเกิดจะได้ความรู้ความฉลาดในการได้ยินได้ฟังจากนั้นอัตมาภาพได้พูดเกี่ยวกับการพร้อมเพียงสามัคคีของนกกระจานะเป็นมีความจีบหายถ้าว่าพวกเราไม่รู้จักความพร้อมเพียงสามัคคีจากนั้นก็รู้จักการวางตัวทิศ ท, ทั้งหกให้พวกเราใช้จิใช้ปัญญาดูสิว่า ถ้าว่าพวกเรารู้จักการวางตัวพวกเราจะรู้จักการเทศะบุคคลไปอยู่ในสถานที่ใดอยู่กับใครก็จะมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขและจากนั้นอาตมาภาพได้พูดเกี่ยวกับเรื่องทานการเสียสละการอยู่ด้วยกันถ้าว่าพวกเรามีการเสียสละอยู่ด้วยกันก็จะได้รับความสงบเป็นสุข เหมือนกันและก็เรื่องศีลห้าศีลห้าฆรวาสญาติญาติโยมศีลห้าคืออุบาสกอุบาสิกาเออเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องรักษาถ้าศีลสองร้อยยสิบคือศีลของพระสงฆ์ศีลของสมนันเองก็คือศีลสิบคือถ้าว่าฆราวาสญาติโยมต้องการให้แข่งขึ้นไปก็คือศีลอุโบสถคือรักษาศีลแปด แต่สำหรับเป็นพื้นฐานจริงๆก็คือรักษาศีลห้าคุณค่าของศีลห้าที่อาตมาภาพได้บอกกล่าวให้แก่คณะสัตย า, าติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็คงจะพอเข้าใจแต่เรื่องสมาธิ เ, เรื่องสมาธิที่อาตมาภาพได้เรียนให้แก่พี่น้องประชาชนสัตย า, าติโยมใครจะยึดกรรมฐานอันไหนก็ได้กรรมฐาน40สิบ ก็สําคัญให้จริงจังในเมื่อพวกเรามีกรรมฐานในจิตในใจมีการภาวนาเมื่อเราฝึกหัดจิตของเราเข้มแข็งเมื่อเท่าแก่ชราพวกเราจะไม่ว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เคยฝึกกิตตะภาวนาไม่เคยภาวนาเลยเมื่ออายุมากขึ้นมาพวกเราจะนิสัยจะซึมเศร้าจะเข้ามาเยือน เพราะนั้นขอให้พวกเราเตรียมตัวเตรียมใจว่าแต่เนิน่นๆฝึกหัดเอาไว้เรื่องจิตภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราตั้งใจภาวนาและปฏิบัติตามพ่อแม่ปูบารารญ์แนะนําแล้วพวกเราจะมีแต่ความผาสุขอยู่น่าจะฐานที่ใดก็มีแต่ความสงบพร่มเรีย็นผาสุขการกล่าวธรรมเทศนา ในวันนี้กาวสมมมบทนิยกถาในวันนี้หลวงพ่อได้ยกพุทธภาษตเบื้องต้นว่ายัสสะปาปังกระตังกรมมังภูสเลนะปะหิยติโซมังโล ก, กังปภ า, าเสติอปโมอภามุตโตวจันติมาแปลว่าใครก็ตามทำความชั่วมาแล้วในอดีต แต่กลับทำตัวกลับตัวได้หันมาทำความดีแทนคนนั้นทำให้ตนเองเป็นสุขทำให้โลกแจ่มใสเหมือนกับพระจันทร์ค้นจากเมฆหมอกคนเรามีทั้งเกิดมาแล้วจะทำความดีอย่างเดียวก็คงไม่ได้จะทำความชั่วอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่บางคน ทำความชั่วมากกว่าความดีแต่บางคนก็ทำความดีมากกว่าความชั่วแต่ก็ต้องมีอยู่นั่นแหละคิดเพราะการทำกรรมทำได้สามทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมคือการกระทำทางกายวจีกรรมคือคาพูดกายกรรมคือการกระทำการทำกรรมทำได้สามทางแต่ว่าบางคนก็ ทำกรรมหนักไปหน่อยแต่ถึงยังไงเมื่อสานึกได้เราก็หันกลับมาจะไม่ทำอย่างพวกท่านบางท่านบางคนเกิดมาแล้วก็ยังไม่รู้ไม่ไดร้รับการศึกษาดื่มสุราอยู่ตลอด เ, อเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วต่อมาเห็นโทษในการดื่มโอ้ถ้าดื่มสุราเข้าไปแล้วครอบครัวไม่กระจุดกระจายกระแตกกระจาย ไม่เป็นที่นับถือไม่เป็นที่ยอมรับของวงสาระนายาธของหมูพวกเพื่อนเอาวยศในเมื่อหยุดแล้วนั่นแหละความสงบร่มเย็นเป็นจุข ก, ก็จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านนะก่อนจากนั้นครอบครัวก็ร่มเย็นเป็นจุกทวนหน้ากันเพราะนั้นที่ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าที่นวัตตะปาปังกระตังกำมังที่อาตมาได้กล่าวอกรรมชั่ว ถ้าว่าเราทำงดเว้นถ้าเราทำกรรมชั่วมาก่อนแต่เรากลับตัวได้กลับเป็นคนดีเหมือนกับพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นการพูดและการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีะรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระทาตุพระนมที่พวกเรา ที่ปู่ย่าตายายบ่งสาคนาญาติของพวกเราเกิดมาในภาคอีสานถือว่าพระธาตุพนมเป็นหัวใจเป็นหัวใจของพวกเราอย่างหลวงพ่อเองนะสมัยเป็นเลนน้อยยังจําไม่ลืมมาทั้งทุกวันนี้พอมากราบพระนมพระธาตุพนมเป็นครั้งแรกก็ตั้งจิตอธิษฐานนะโอ้ขอให้เข้าไปเจ้าได้บวชในพระพุทธศาสนาตลอดชีพด้วยเถอะในชาตินี้มันคิดได้ยังไงแต่ยังไม่ยังไม่รู้เหมือนกันนะ มากราเป็นครั้งแรกนะเป็นสมานเณรอายุช่วงนั้นก็ประมาณทักสิบสามปีเดี๋ยวนี้ก็ยังจําไม่ลืม อ, อยู่ความคิดนั้นนะใช่จากนั้นก็ได้อยู่ตลอดรอดมากระทั่งทุกวันนี้นี่แหละพระทาตุพนมเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนียวทางด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนอย่างมากมากกว่านั้นพวกเราท่านทั้งหลายในมาร่วมกันในวันนี้ได้กราพระทาตุพนมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ออของภาคอีสานหรือพี่น้องทั่วประเทศทั้งประเทศลาวทั้งประเทศไทยของพวกเรา เ, เพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งนะคณะัตยาญาติโมขอบุญบา ร, รมีของท่าทพนมของเราคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเถิด